สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน1พงพงกษบทที่ย์บสองข้อ1่ถึงข้อ 1- ิครับ1พึ่งพงศษบทที่ย2ข้อ1ถึงข้อนะครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าสงครามระหว่างอา ร, รัมกับอิสราเอลว่างเว้นไป3ปีแต่ในปีที่3กษัตริย์เยโฮชาฟัดแห่งยูดา เสด็จมาเยือนกษัตริย์อิสราเอลกษัต ร, ริย์อิสราเอลตัดกับข้าราชบริพารว่าพวกเช่าก็รู้ไม่ใช่หรือว่ารามโมอกิเลาตเป็นของเราแต่เราก็ไม่ทําอะไรเพื่อชิงคืนจากกษัตริย์อารัมเลยอับจึงตรัดถามเยโฮชาฟัตว่าท่านจะช่วยข้าพเจ้ารบกับรามโมอกิเลาตไหมเยโฮชาฟัตตอบกษัต ร, ริย์อิสราเอลว่าเราสองคนเป็นพวกเดียวกัน คนของข้าพเจ้าก็เหมือนเป็นคนของท่านม้าของข้าพเจ้าก็เหมือนเป็นม้าของท่านแต่เยโฮชาฟัดตรัสกับกษัตริย์อิสราเอลอีกว่าเราควรทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนกษัตริย์อิสราเอลจึงทรงเรียกผู้เผยพระวจนะรา4ส0คนมาเฝ้าและตรัสถามว่าเราควรจะไปรบกับราโมอธกิเลาตหรือเราควรจะยับยั้งไว้ เขาเหล่านั้นทูลว่าไปเลยพระเจ้าค่ะเพราะองค์พระวิญญาจะทรงมอบดินแดนนั้นไว้ในพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทแต่เยโฮชาฟัดตรัสถามว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพจนะขององค์พระวเจ้าให้ถามเลยหรือกษั Israel ตริย์อิสราเอลตรัสตอบเยโฮชาฟัทว่ายังมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเราจะทูลถามองค์พระวเจ้าผ่านทางเขาได้แต่ข้าพเจ้าเกลียดเขาเพราะเขา ไม่เคยพยากรณ์เรื่องดีๆเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยมีแต่เรื่องร้ายๆเขาคือมีคายาบุตรอิมลาเยอชาฟัตตรัสว่าพระองค์อย่าตรัสเช่นนั้นเลยดังนั้นกษัตริย์อิสราเอลจึงทรงเรียกมหาดเล็กคนหนึ่งมาและสั่งว่าจงนําตัวมีคายาบุตรอิมลามาเดี๋ยวนี้ทั้งกษัตริย์อิสราเอลและกษัตริย์เยอชาฟัตแห่งยูดาห์ ทรงฉลองพระองค์เต็มยศประทับอยู่บนพระที่นั่งในลานนวดข้าวใกล้ประตูเมืองสมาเรียในขณะที่กลุ่มผู้เผยพระชนะก็กล่าวพยากรณ์ไปต่อหน้าฝ่ายเสด็คิยาบุตรเคนาอานาได้นได้ทำเขาเหล็กขึ้นมาและประกาศว่าองค์พระพูเวณเจ้าตรัสว่าเจ้าจะขิดพวกอารัม ด้วยเขาเหล็กนี้จนพวกเขาย่อยยับไปผู้เผยโภชนะคนอื่นๆทั้งหมดก็กำลังพยากรณ์อย่างเดียวกันว่าจงบุกเข้าโจมตีราโมทกีเลาอาดและมีชัยชนะเถิดเพราะองค์ผู้เป็นเจ้าจะส่งมอบเมืองนั้นไว้ในพระหัตถ์ของฝาพบาตพี่น้องครับวันนี้คำแบ่งปันของผมก็คือภายใต้หัวข้อของเกของเกคือของปลอมครับ ในพระธรรมหนึ่งปวงกษัตริย์บทที่22นี้เราจะเห็นว่าสงครามระหว่างอารัมกับอิสราเอลนั้นว่างเว้นไปพี่น้องครับเราพบหนังสือจดหมายเหตุของชาวอัสซีเรียชาวมาเนเซอร์ที่สซึ่งเป็นโบราณาคดีซึ่งขุดค้นพบบันทึกอย่างนี้ครับว่าอาหับชาวอิสราเอลและเบนฮาดัดแห่งดามัสกัส ได้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับกษัตริย์12องค์เพื่อต่อสู้กับกองทัพอัสเซเรียที่คาคาบริเวณแม่น้ำโอรอนเทสในปี853นี่เป็นบันทึกของอัสีเรียนะครับบันทึกนี้ระบุว่าอาหับนั้นส่งรถรบ 2,000 คันและทหารลาบ 10,000 คนมาร่วมรบกับกองทัพพันธมิตรที่เป็นศัตรูของฝ่ายอาัสเเรียและ ในหนังสือนี้บันทึกนี้ก็ได้อ้างถึงชัยชนะของอัสซีเรียเกินจริงไปหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าตามหลักฐานประวัติศาสตร์แล้วพวกเขาที่อัสซีเรียนั้นถอยทับครับและไม่ได้ลุกรานมาทางด้านอารามกับอิสราเอลอย่างน้อย 4-5 ปีพี่น้องครับในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ได้เห็นว่าสงครามระหว่างอารามกับอิสราเอลนั้นว่างเว้นไปถึง3ปี เป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับแต่ความยาวนานตรงนี้ก็ไม่ได้ทำให้กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ดีกันจริงๆหรอกครับมิหนำซ้ำยังมีเรื่องเข้าแทรกอีกเยอะแยะมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นในบทที่22นี้ก็ปรากฏว่ามีกษัตริย์ของยูดาห์ครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่ายูดาห์นั้นเป็นดินแดนอิสราเอลฝ่ายใต้ ซึ่งเขาแยกตัวกันใช่ไหมครับอิสราเอลฝ่ายเหนืออิสราเอลฝ่ายใต้เขาแยกตัวกันครับกษัตริย์เยโฮชาฟัสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีแห่งยูดาห์หรืออิสราเอลฝ่ายใต้ก็เสด็จมาเยือนกษัตริย์อิสราเอลอาจจะมาเพื่อตอบแท น, นแสดงความยินดีที่พันธมิตรประสบความสําเร็จในการต่อสู้กับอัลซีเรียก็ได้เมื่อเขามาถึงเขาก็คุยกันครับกษัตริย์ฝ่ายใต้มาเยี่ยมกษัตริย์ฝ่ายเหนือ ดูเหมือนว่ากษัตริย์ฝ่ายเหนือนั้นมีอํานาจมากและก็ประสบความสําเร็จในการเรื่องของการเมืองการปกครองแต่ว่าล้มเหลวในเรื่องของศาสนาอาหับกษัตริย์ฝ่ายเหนือนั้นก็ตัดสินใจที่จะไปยึดราโมอกีเลอาดซึ่งเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งที่ถูกพวกซีเรียรหรือพวกเบนฮาดัดยึดไปก่อนหน้านี้พี่น้องครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับต้องจําชื่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผมพยายามที่จะเล่าให้พี่น้องฟังว่า ในขณะที่อาหับตัดสินใจและเยโฮชาฟัดก็เอาด้วยเมืองรามอกีละอาดได้เป็นเมืองเอกที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินเผ่ากาดครับเผ่ากาดก็คือเผ่าหนึ่งใน12เผ่าของอิสราเอลนะครับห่างแม่น้ำจอแดนไปทางทิศตะวันออกประมาณ45กิโลเมตรและห่างจากทะเลสาบคินเนเรตก็คือทะเลสาบกาลิลีนะครับ ห่างจากเทฮิสตาบกาลิลีมาทางทิศใต้ประมาณ24กิโลเมตรเกือบจะอยู่ในระนาบเดียวกันกับเมืองยิสเรเอลเมื่อสองวันที่แล้วเราพูดถึงเมืองยิสเรเอลพี่น้องคงจำได้นะครับถ้าพี่น้องจะไม่ได้โปรดถอยกลับไปดูครับหรือทาไมงั้นก็ขอเชิญมาเรียนรวีวัลศึกษาการที่จะเอาชนะกษัดเบนฮาดัดได้ อาหับนั้นต้องขอกําลังและความช่วยเหลือจากเยโฮชาฟัดเพื่อที่จะยึดลาโมดกิระอาดกลับคืนมาเยโฮชาฟัดกษัตริย์แห่งยูดาห์ซึ่งเป็นพานามิรก็ตกลงร่วมใจกันนะครับตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำสงครามร่วมเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองตรงนี้แหละครับถึงแม้ว่าตามเหตุผลฝ่ายวิญญาณกษัตริย์เยโฮชาฟัดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีที่รักพระเจ้าไม่สมควรไปร่วม แต่เพราะเหตุผลทางการเมืองครับก็เลยต้องเข้าไปร่วมในขณะที่กําลังตัดสินใจจะบุกลามโมกกิเลอาดหรือเปล่าลเราเห็นนะครับกษัตริย์ที่มีความชอบธรรมศรัท่อต่อพระเจ้านั้นเขาจะต้องขอคําปรึกษาจากพระเจ้าก่อนก่อนที่จะออกไปทําสงครามร่วมกับอาหับแต่ดูเหมือนว่ากษัตริย์อาหับไม่มีความสนใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่เพื่อเอาใจเยโฮชาฟาสกษัตริย์ฝ่ายใต้อาฮับ จึงเรียกผู้เผยพรชนะของตนซึ่งมีอยู่400คนเข้ามาเพื่อที่จะถวายคําปรึกษาเราเข้าใจดีครับว่าผู้เผยพรชนะเหล่านี้เป็นผู้เผยพรชนะของพระเยโฮวาเพราะเยโฮชาฟัดคงไม่มีทางที่ยอมรับผู้เผยพรชนะของบาอันอย่างแน่นอนแต่พวกเขา เป็นผู้เผยโพจนะเกยครับเป็นผู้เผยโพจนะที่หลงผิดเป็นผู้เผยโพจนะที่สนใจแต่ปากทองของตัวเองคอไม่สนใจใยดีว่าจะกล่าวคําพูดที่เป็นจริงจากพระเจ้าหรือเปล่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือพยายามพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ากษัตริย์ต้องการฟังนี่แหละครับคือผู้เผยโพจนะเกยหรือของเกยพี่น้องครับของเกยไม่ใช่ของจริงของเกยเป็นของเทียมเท็จ ของเกนันมีชีวิตอยู่ทำหน้าที่เพราะเนื่องจากปากท้องของตัวเองก็เผยเพราะพอจนะาไปทำงานรับใช้กษัตริย์ไปพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ากษาัตริย์ต้องการฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์มากมายคำตอบที่พวกเขาได้ให้กับอาหับทำให้เยโฮชาฟัตมีความสงสัยว่า พวกเขาไม่ได้กล่าวในสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับคนของพระเจ้าจริงๆเขาจะคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าแต่พอเจอของเก๊เขารู้เลยครับว่านี่ไม่ใช่มาจากพระเจ้ากษัตริย์เยโฮชาฟัดซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอลฝ่ายใตย้หรือกษัตริย์ยูดานั้นเขาจึงขอร้องให้หาผู้เผยพระานะที่มีจิตใจชื่อตรงต่อพระเจ้ามา เพื่อตนจะได้ทูลถามเกี่ยวกับน้ําพระทัยของพระเจ้าเมื่อกษัตริย์อาหับตอบว่ามีคนของพระเจ้าเหลืออยู่คนหนึ่งที่พอจะติดต่อได้แต่ไอ้คนนี้มักจะเป็นคนเผยเพระชนะถึงแต่สิ่งร้ายให้กับอาหับอาหับก็เลยไม่ชอบเขาพี่น้องครับน่าสนใจนะครับว่าอาหับนั้นต้องการที่จะรู้สึกดีเรื่องศาสนานี้ต้องรู้สึกดีพูดความจริง ไม่ชอบไม่สนใจว่าความจริงจะเป็นยังไงเหมือนกับเอลียาครับเอลียาพูดความจริงกษัตริย์อาหับก็ถือว่าเป็นศัต ร, ตรูมีขายาเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าเพียงไม่กี่คนในอิสราเอลสมัยนั้นที่ยังซัดซื่อจงรักภักดีต่อพระเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะจริงครับไม่ใช่เกหลังจากนั้นเยอาชาฟัตก็แสดงความตั้งใจที่จะฟังผู้เผยพระชนะนี้กษัตริย์อาหับก็เลย ต้องใช้คนไปตามมีคายามาผู้เผพยพระญามีขายาหรือประกาศกมีขายานั้นอาศัยอยู่ใกล้สมาเรียเขาก็เลยเปิดลานนวดข้าวลานนวดข้าวนี้นะครับก็คือเป็นลานกว้างเพื่อที่จะใช้นวดข้าวในฤดูเกี่ยวข้าวครับบางครั้งลานนวดข้าวนั้นก็อยู่บนเนิน หรือยกพื้นขึ้นสูงก็เหมาะสำหรับเป็นที่ประทับของอาหับไดเอโฮชาวฟัสในการเตรียมกองทัพและก็ชุมนุมกันอยู่ที่ประตูเมืองมีผู้คนหนาแน่นรวมทั้งผู้เผพยพระชนะเกทั้ง400คนคนหนึ่งในจำนวนนั้นชื่อเสเดีคียาเสดีคียานั้นก็สร้างภาพดรามา่า ต, ตรีมคําพยากรของตนไว้อย่างดี โดยเอาเหล็กมาทำเป็นเขาเขานี่คือก็เขาควายเขาสัตว์เนี่ยครับกล่าวยันเยียดยางพระเจ้าว่าพระเจ้าตัดกับตนว่ากษัตริย์พันธมิตรทั้งสององค์พร้อมกับเขาจะขิดซีเรียให้ถึงความพินาศผู้เผยเกยอื่นๆก็เห็นชอบเอออเ อ, ออวยกันเห็นพ้องต้องกันกันกบคำเผยเพรจนะนี้พร้อมทั้งเสริมด้วยคาพูดในแง่ดีทั้งหมดเลย เกี่ยวกับผลของสงครามที่เกิดขึ้นพี่น้องครับบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือหากว่าเราเป็นคนของพระเจ้าจริงเราต้องคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าอย่าไปติดตามผู้เผยเพ ร, ยพระชนะเกนะครับนักเทศเกผู้รับใช้เกผู้นำคิดจักเกแม้ว่าเมื่อวานนี้ครับในบทที่แล้วกษัตริย์อาหับกับใจจริง แต่ก็ไม่พ้นของเกย์ครับก็น่าเสียดายเสียใจครับว่าอาหับนั้นเมื่อพระเจ้ายกโทษให้อภัยแต่ก็ยังมาเจอของเก์อีกเป็นที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเจอของจริงครับอย่าไปเจอของเกถ้าเราอยู่กับคนเก้เกก็ให้รีบนะครับออกห่างจากคนเกย์เกเหล่านั้นเสียอเมน